วันฟังธรรมวันศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะจะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษถ้าได้ศึกษาแล้วน้นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และได้รับผลอันดีเลิศที่จะตามมาต่อไปถ้าไม่ศึกษาแล้วไปปฏิบัติ <c oughs> ก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆ <c oughs> ดีบ้างไม่ดีบ้างผลอันเลิศที่ปรารถนาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างที่ชีวิตของพวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เป็นชีวิตที่รุ่มๆุ่มดอนดอนมีขึ้นมีลงนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จากวิธีที่ถูกต้องที่จะพาชีวิตของเราให้ขึ้นสูงไปตามลำดับเราจึงต้องเข้ามาหาพระธรรมคำสอนเช่นทุกวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบัญญัติไว้ ให้พุทธศาสนิกชนพุทธบ ร, รษิษัทสีให้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกทางการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินแล้วก็ให้เข้ามาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคำสอนเป็นเหมือนแผนที่ของชีวิต ชีวิตของเรานี้เป็นการเดินทางเดินทางจากต้นก็คือการเกิดและจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือความตายนี่เป็นการเดินทางของร่างกายแต่การเดินทางของจิตใจนี้ไปคนละทางกับร่างกายต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงจะไปสู่สุคติได้ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่พบของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยเจ้าต่อไปเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็ยังเดินทางต่อไปต า, าตามการกระทําของใจถ้าทําดี ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็จะไปสูงขึ้นตามลำดับไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจา้าไปเป็นพระนิพพานต่อไปถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามหรือไม่ได้ศึกษาและไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็จะปฏิบัติผิดผิดถูกๆ ถ, ถ้าผิดก็ต้องไปสู่อบาย เช่นถ้าไม่รู้ว่าการทําบาปนี้เป็นโทษทําไปแล้วจะทําไปใช้กรรมต่อไปถ้ารู้ก็จะได้หลีกเลี่ยงได้ถ้าไม่รู้ก็ทําไปแล้วผลที่เสียหายก็จะตามมาต่อไปแต่ก็จะรู้ตัวก็สายไปแล้วเช่นไปเกิดเป็นสุนัขแล้วไปเกิดเป็นแมวแล้ว ถึงแม้ขณะนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองมาเกิดเป็นสุนัขมาเกิดเป็นแมวได้อย่างไรเพราะไม่มีสติปัญญาความรู้ความฉลาดพอที่จะวิเคราะห์แยกแยะได้นั่นเองดังนั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงเป็นโชคอันมหาศาลของพวกเรา ที่พวกเราไม่ควรที่จะปล่อยให้โชคอันนี้หลุดจากมือเราไปวิธีที่เราจะคว้าเอาโชคอันนี้มาเป็นสมบัติของเราก็คือการศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติตามแล้วผลที่พวกเราทุกคนปรารถนาก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นขอให้เราศึกษาอยู่เรื่อยๆเข้าวัดอยู่เรื่อยๆทุกวันพระถ้าวันพระไม่สะดวกเนื่องจากต้องไปทำงานทำการก็มาวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์แทนก็ได้เพราะทางวัดก็จะมีมีการกระทําเหมือนกันวันพระก็ดีวันเสาร์ก็ดีวันอาทิตย์ก็ดี จะมีการแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ศึกษาเพื่อที่จะได้เป็นแสงสว่างนำทางของชีวิตต่อไปคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้ศึกษาและให้รู้ไว้นั้นมีหลากหลายด้วยกันแต่ก็มีอยู่อันหนึ่งที่สามารถจะสรุป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 กาละเทศะและเจ็ให้รู้ประมาณถ้าเรารู้สิ่งความรู้เหล่านี้และสามารถปฏิบัติตามได้ชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจะมีแต่ความสุขจะไม่มีเสือ่อมความเสือ่อมจะไม่มีโทษตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษา จดเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ในความรู้ทั้งเจ็ดประการนี้ข้อแรกและข้อที่สองคือให้รู้เหตุและรู้ผลเพราะเหตุและผลนี้เป็นของคู่กันเหมือนสามีและภรรยาหรือเหมือนพ่อแม่กับลูกๆเป็นของที่คู่กัน เหตุนี Hate ้เป็นผ right. like ู <signaling fish> ้น like ําส่วนผลนี้เ like ป็นผ right ู right ้ตามก่อนที่จะมีผลได้จะต้องมีเหตุก่อนเช่นก่อนที่จะมีลูกได้ก็ต้องมีพ่อมีแม่ก่อนก่อนที่จะมีความสุขมีความเจริญได้ก็ต้องมีการกระทาความดีก่อนก่อนที่จะมีความทุกข์ก่อนที่จะมีโทษมีความเสื่อมเสีย ก็จะต้องมีการกระทําบาปก่อนนี่คือเรื่องของเหตุของผลคือต้องรู้ว่าถ้าเราต้องการผลชนิดใดเราก็ต้องรู้ว่าทําอย่างไรคือเหตุทําเหตุให้เหตุเป็นอย่างไรที่จะทําให้เกิดผลที่เราปรารถนากันไม่ใช่มีแต่อยากจะได้ผลแต่ไม่สนใจเรื่องเหตุอย่าง ที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดกันเวลามาวัดแล้วก็อยากจะให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก็จุดธูปเทียนแล้วก็กราบขอจากพระขอให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุของความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่ที่การกระทำของเรา เช่นอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรขยันศึกษาหาวิชาความรู้ขยันทํางานทําการขยันเก็บเงินเก็บทองขยันทําความดีขยันไม่กระทําบาปถ้าทําอย่างนี้จะขอหรือไม่ขอก็ไม่สําคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่สามารถให้ สิ่งที่เราขอได้ถ้าให้ได้ป่านนี้ทุกคนในประเทศไทยก็จะเป็นมหาเศรษฐีกันไปหมดจะเป็นนายกกันไปหมดแต่เป็นเพราะว่าการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุนั่นเองจึงไม่ได้มีเป็นมหาเศรษฐีกันทั่วประเทศคนที่เป็นมหาเศรษฐีก็เพราะเขามีความขยันขยันศึกษาหาความรู้ ขยันทำงานทำการขยันเก็บเงิ น, นเก็บทองเขาไม่ขยันใช้เงินเขาขี้เกียจใช้เงินพวกที่ไม่รวยนั้นก็เป็นพวกที่ขยันใช้เงินแต่ขี้เกียจหาเงินขี้เกียจที่จะศึกษาหาวิชาความรู้ขี้เกียจไปทำงานถ้าเป็นอย่างนี้ผลก็คือความยากจนก็จะต้องตามมา ถ้าอยากจะร่ำรวยอยากจะมีความเจริญก้าวหน้าก็ต้องมีความขยันในการศึกษาเช่นศึกษาให้ได้ถึงระดับปริญญาเอกเลยรับรองได้ว่าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนเพราะไม่เห็นคนที่เป็นปริญญาเอกนี้เขายากจนเขาลำบากเขามีแต่สุขสบายกันทั้งนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการ เป็นที่ปรึกษาของมหาเศรษฐีของนายกของพระเจ้าแผ่นดินเพราะเขามีความขยันที่จะศึกษาหาวิชาความรู้ถ้าเขาล่ำรวยก็เป็นเพราะว่าเขาขยันเก็บเงินเก็บทองเขาจะไม่ขยันใช้เงินใช้ทองถ้าใช้ก็ใช้ด้วยความจำเป็นใช้ในสิ่งที่ จำเป็นต่อการดูแลอัตภาพชีวิตของตนแล้วก็ใช้หาความสุขตามพอสมควรคือไม่มากจนเกินไปและก็ไม่น้อยจนเกินไปชีวิตของเขาก็จะมีความสุขได้นี่คือเรื่องของเหตุและผลถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างไรเราก็ต้องศึกษาดูที่เหตุว่าจะต้องทำอย่างไร ถ้าอยากจะไปสวรรค์หลังจากที่ตายไปแล้วไม่อยากจะไปเกิดในอบายพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าสี่เลนะสุขติยันติศีลเป็นเหตุที่จะนาไปสู่สุขติถ้ารักษาศีลห้าได้อย่างสม่าเสมอตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็จะได้ไปสวรรค์ไปเกิดในสุขติ ถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอาบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกถ้าไม่ทำบาปคือรักษาศีลทั้งห้าข้อนี้ได้พระพุทธเจ้าจึงต้องให้ญาติโยมรับศีลกันทุกวันพระนั่นเองแต่รักษารับศีลัลนรักษาศีล เพียงวันเดียวนี้ยังไม่พอถ้าอีกหกวันยังไปทำบาปอยู่ก็มีมีโอกาส6กใน7ที่จะต้องไปเกิดในอบายมีโอกาสเพียงหนึ่งใน7ที่จะไม่ไปเกิดในอบายไปเกิดในสุขติได้แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ทุกวันเราก็จะมีโอกาส7ดใน7ด มีโอกาสเต็มร้อยที่จะไปเกิดในสุขติเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ถ้าซื้อร้อยใบยนี้ก็จะต้องมีต้องถูก1 1ครั้งอย่างแน่นอนถูกเลขท้าย2ตัวอย่างแน่นอนเพราะเราซื้อทุกเลขเลยตั้งแต่ศ1ไปถึง9กถึงศูถึงก็จะต้องถูกอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราซื้อเพียงใบเดียว เราก็มีโอกาสที่จะถูก1ในร้อยเท่านั้นชั้นใดการจะไปสุขติหรือไม่ก็อยู่ที่การรักษาศีลของเราถ้าเรารักษาศีลได้หนึ่งใน7 เ, เราก็มีโอกาสที่ไปสุขติเพียงหนึ่งใน7แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ทั้ง7วันเราก็จะไปเรามีโอกาสที่จะไปสุขติได้ เจ็ดในเจดเลยนี่คือเหตุที่จะทําให้เราไปสู่การไปเกิดในสุขติดังนั้นขอให้พวกเราจงมาดูที่เหตุของเราเวลาเราอยากจะได้อะไรขอให้เรามาดูที่เหตุเวลาที่เราอธิษฐานก็ขอให้อธิษฐานที่เหตุเช่นถ้าอยากจะไปเกิดในสุขติ ก็อย่าไปอธิษฐานว่าขอให้ได้ไปเกิดในสุขติขออย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะให้ไปเกิดในสุขติก็ต้องขอที่เหตุคือตั้งใจว่าขอให้รักษาศีลได้ทุกวันทุกดวันทั้งเจวันต่อสัปดาห์ถ้ารักษาได้ทั้งเจวันก็จะไปสู่สุขติอย่างแน่นอนเวลาอธิษฐานนี้จึงต้องอธิษฐานที่เหตุ พวกเราเข้าใจผิดกันเราไปอธิษฐานที่ผลก็เลยกลายเป็นขอทานไปขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีขอให้ร่ำให้รวยก็ไม่ได้ขอให้เป็นในในพันในพนก็ไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่ได้ขอที่เหตุถ้าขอที่เหตุก็คือเราต้องทำความดีต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้เกินร้อยอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่า ผลจะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราต้องการอะไรก็ขอให้เราตั้งอยู่ที่เหตุคือตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะเป็นมหาเศรษฐีก็ขอให้เราตั้งใจขยันทํางานทําการได้เงินได้ทองมาก็ไม่เอาไปใช้เอาเก็บไว้หรือเอาไปลงทุนขยายกิจการต่อไป อย่างนี้ไม่นานก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีได้พวกมหาเศรษฐีนี้เขาก็เริ่มต้นจากเสื้อใบเสือ้อเสือ้อผืนหมอนใบเขาก็มาตัวเปล่าๆและเนื่องจากเขามีความอดทนมีความขยันมีความตั้งใจที่จะทำมาหากินแล้วก็ตั้งใจเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะเอามาลงทุนขยายกิจการให ใหญ่โตขึ้นไปไม่นานเขาก็ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่ได้อยู่ที่ผลผลนี้อยู่ที่เหตุถ้าอยากจะได้อะไรต้องให้ศึกษาว่าเราจะเราจะต้องทําอย่างไรแล้วเราก็จะได้ผลที่เราต้องการนี่คือเรื่องของการรู้เหตุและ รู้ผลข้อที่สามก็คือให้รู้ตนคือให้รู้จักตัวเราว่าเราเป็นเราเป็นใครคนเหล่านี้ถึงแม้จะมีร่างกายเหมือนกันแต่มีฐานะไม่เหมือนกันเป็นมีเพศไม่เหมือนกันเช่นมีเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเป็นค า, ารว่าหรือเป็นนักบวช ฐานะของเราแต่ละฐานะนี้มีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นเด็กก็ต้องมีความอ่ำน้อมมีสัมาคาระวะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความเมตตากรุณามีมีเหตุมีผลถ้าเป็นพระก็ต้องมีความสำรวมกายวาจาถ้าเป็นคาระวะก็ไม่ต้องสำรวมเหมือนกับเป็นพระ นี่คือการรู้ตนเราต้องรู้ฐานะของเราว่าเราอยู่ฐานะอย่างไรถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องกับฐานะของเราเราก็จะต้องพบกับความเสื่อมเสียแทนที่จะเจริญก็ไม่เจริญอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่การรู้ว่าตัวเรานี่เป็นอะไรเป็นใครเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ทำตัวของเราให้ถูกต้อง นี่คือการรู้จักตอนส่วนข้อที่สี่คือให้รู้บุคคลก็คือให้รู้กับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตของเรานี้เราไม่ได้อยู่ตัวตัวคนเดียวตามลำพังเรามีบุคคลที่เราร่วมอยู่ด้วยร่วมทำงานด้วยร่วมทำกิจกรรมต่างๆร่วมทุกข์ร่วมสุข ด, ด้วยเราก็ต้องรู้บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่า เขาเป็นใครและเราควรที่จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเช่นเราต้องรู้จักพ่อรู้จักแม่เพราะพ่ อ, พอและแม่นี้เป็นบุคคลที่เราต้องรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องพ่อแม่ก็คือเป็นผู้ที่ให้กําเนิดกับเราเป็นผู้บังเกิดเกล้าเป็นผู้ที่เราต้องให้ความเคารพเสมอเป็นผู้ที่เราต้อง มีความสำนึกในบุญคุณของท่านอยู่เสมอเป็นผู้ที่เราต้องคอยเลี้ยงดูรับใช้ท่านอยู่เสมอเพราะท่านมีบุญคุณล้นฟ้าแก่พวกเราถ้าอุ้ลูกไม่มีพ่อแม่ก็จะไม่สามารถเกิดมาได้พวกเราทุกคนถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็จะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นไม่ว่าพ่อแม่จะ จะดีหรือจะไม่ดีจะร่ำรวยหรือจะยากจนเขาก็เป็นพ่อแม่ของเราที่เราต้องเคารพอยู่เสมอต้องมีความรักความเมตตาความสงสารต่อพ่อแม่อยู่เสมอต้องสำนึกในบุญคุณของท่านอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามถึงแม้ท่านจะไปติดคุกติดตราง ท่านก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่ถึงแม้ท่านจะทำบาปทำกรรมท่านก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราเราต้องแยกว่าการกระทาของท่านเป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราสิ่งที่เกี่ยวกับเราก็คือฐานะของท่านกับเราฐานะของพ่อแม่กับลูกที่ไม่มีวันที่จะขาดไปได้ถึงแม้จะตัดอย่างไรถึงแม้จะบอกว่าจะตัดกันมันก็ตัดไม่ได้ พ่านี่เป็นความจริงที่มันลบไม่ได้ล้างไม่ได้ถ้าอยากจะตัดก็ต้องย้อนตัวเรากลับเข้าไปในท้องของแม่เท่านั้นแหละถึงจะตัดความเป็นพ่อแม่กับเป็นลูกกันได้ดังนั้นขอให้เรานำลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และปฏิบัติดัวเราต่อคุณพ่อคุณแม่ให้ถูกต้องส่วนคนอื่นเราก็ต้องรู้เพราะการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกัน เช่นเราก็ต้องรู้ว่าสามีของเราภรรยาของเราเราต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเราจะไม่ปฏิบัติเหมือนกับปฏิบัติกับพ่อกับแม่กับลูกก็เช่นเดียวกันเราก็จะไม่ปฏิบัติเหมือนกับสามีกับภรรยากับเพื่อนฝูงกับญาติสนิทมิตรสหายเราก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติกับแต่ละบุคคลให้ถูกต้อง แลวชีวิตของเราก็จะได้มีแต่ความสุขและความเจริญนี่คือการรู้บุคคลข้อที่5ก็ให้รู้สังคมรู้สังคมก็ให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่เราอยู่ด้วยในแต่ละสังคมเขาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนกันเวลาพบกันเขาก็มีการทักทายด้วยวิธีต่างกัน บางชาติเขาก็ใช้วิธีจับมือกันบางชาติเขาก็ใช้วิธีก้มศีรษะเข้าหากันบางชาติเขาก็เข้ากอดกันเราก็ต้องศึกษาให้ถูกรู้จักวิธีของของสังคมนั้นๆเวลาเราไปอยู่สังคมนั้นเราจะได้ไม่ไปทำให้ทาให้เสียหายหรือทำให้ให้ถูกต้อง นี่คือการให้รู้จักสังคมให้รู้จักขนรรมทำเนียมประเพณีของสังคมแต่ละสังคมของเราก็มีสังคมแบบหนึ่งและในประเทศของเราเราก็มีหลายสังคมด้วยสังคมในครอบครัวก็แบบหนึ่งสังคมที่ทำงานก็แบบหนึ่งสังคมที่โรงเรียนก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องรู้จักว่า วิธีที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในสังคมแต่ละสังคมนั้นทำอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ไม่ทำไม่สร้างความเสียหายให้แก่สังคมนั้นนี่คือเรื่องของการรู้สังคมข้อที่หกก็ให้รู้จักกาลเทศะกาลเทศะก็ให้รู้จักการเวลาและสถานที่ที่เราไปกันว่าเป็นสถานที่แบบไหน มีเหตุการณ์อะไรกาลังเกิดขึ้นเช่นถ้าเราไปวัดไปงานศพเราก็ต้องรู้จักวิธีแต่งกายให้เหมาะสมกับงานที่เราไปถ้าเราไปงานแต่งงานไปงานบันเทิงเราก็ต้องรู้จักวิธีแต่งกายให้ถูกกับงานของเขาไม่ใช่อยากจะใส่แต่งกายแบบไหนก็แต่งไป ไปงานศพก็แต่งกายแบบสีฉูดฉาดเวลาไปงานแต่งงานก็ไปแต่งดำอย่างนี้ถ้าไปอย่างนี้เราก็จะไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเราจะถูกเขาตาหนิตีเตียนและจะถูกลังเกียจเพราะเราไม่รู้จักกาลเทศะว่าควรที่จะกระทำตัวของเราให้ถูกต้องอย่างไร อย่างเวลามาวัดเราก็ต้องรู้จักมามาเวลาเช่นที่นี่ถ้าอยากจะมาถวายอาหารข้าวหวานก็ต้องมาตอนเช้าเพราะที่นี่ฉันมือเดียวไม่ได้ฉันเหมือนวัดอื่นถ้าวัดอื่นไปตอนเที่ยงไปตอนเพลนก็ยังตอนสิบเอโมงก็ยังถวายอาหารให้พระฉันได้แต่ถ้ามาที่นี่ตอนสิบเอดโมงก็ไม่มีพระเขาจะมารับ อาหารให้เราฉันให้เราให้เราถวายและเวลาที่มาวัดก็ต้องรู้จักการแต่งกายให้เหมาะสมเรามาวัดเพื่อมาหาพระสงองค์เจ้ายิ่งถ้าเราเป็นเพศสตรีเราต้องระมัดระวังต้องสํารวมในการแต่งกายคือต้องเสื้อผ้าต้องมีคุมคุมไหล่คุมบาตและก็ต้องปิดหัวเขา่าถึงจะเรียกว่าเป็นการ แต่งกายที่สำรวมสมัยนี้บางทีเด็กไม่เคยเข้าวัดแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่เคยเข้าวัดเวลามาวัดบางทีก็แต่งกายไม่ถูกแต่งกายกระโปรงสั้นยขึ้นสูงเหนือเข่าขึ้นไปใส่เสื้อผ้าก็เปิดเปิลบาเปิดไหลอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการไม่รู้จักกาลเทศะดังนั้นไม่ว่าเราจะทำเวลาเราจะไปงานที่ไหน ไปทำอะไรเราต้องศึกษาดูให้รู้ว่าเราควรจะแต่งตัวอย่างไรทำตัวอย่างไรเช่น mm hmm. ในขณะที่มีการกระทำพิธีกรรมเรามาสายเราอยากจะถวายอาหารเราก็ต้องรอให้เขาทำเสร็จพิธีกรรมก่อนอย่าเอาอาหารข้าวานเข้ามาถวายในขณะที่กำลังมีพิธีกรรม เช่นกำลังขอศีลให้ศีลกำลังกล่าวคำถวายสังฆทานกำลังฟังเทศฟังธรรมหรือกำลังรับพรเวลาเหล่านี้เป็นเวลาที่เราต้องนั่งอยู่ในความสงบอย่าไปทำอะไรงานอย่อื่นไม่สําคัญเท่ากับการนั่งและรับฟังหรือรับรู้กับการกั บ, กบงานที่กําลังกระทําอยู่ ไว้รอให้เสร็จพิธีกรรมเหล่านี้แล้วค่อยนําเอาสิ่งที่เราอยากจะถวายพระเข้ามาถวายได้ตามลําดับต่อไปไม่สายไม่ช้าถ้าท่านยังไม่ได้ฉันท่านรับถวายได้แม้กระทั่งขณะที่ท่านฉันอยู่ถ้าเรามาเราก็ยังเอาเข้ามาถวายได้นี่คือเรื่องของการรู้จักกาละเทศะ ถ้าเราไม่รู้จักแล้วเราก็จะทําตัวให้เป็นเป็นคนที่ที่เหมือนกับคนง่อคนไม่ฉลาดเช่นบางทีเวลามาถวายอาหารก็ไม่ดูตาแมาตาเรือไม่ดูว่าเขากําลังเข้าแถวกันมาถึงก็จะเข้ามาถวายที่หัวแถวเลยนี่ก็เป็นแสดงว่าเป็นไม่รู้จักการลเทศะไม่ใช้สติปัญญาไม่ศึกษาดูว่า ควรจะทำอย่างไรให้ถูกต้องถ้าเราไปในสถานที่ใหม่ที่เราไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรขั้นแรกเราก็ควรจะนั่งดูไปก่อนดูว่าเขาทำอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้ไปถามคนที่เขาเคยมาเขาเคยทำอยู่แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนี่คือการศึกษาเพื่อที่จะได้รู้การละเทสะ แล้วจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ทําให้เรากลายเป็นคนคนโง่คนค น, คนตาบอดไปประการสุดท้ายคือให้รู้ประมาณความว่ารู้ประมาณนี้ก็คือให้ความรู้ความพอดีเพราะว่าอะไรที่ไม่พอดีมันก็ไม่ดีต้องพอดีถึงจะดีมากเกินไปก็ไม่ดี น้อยเกินไปก็ไม่ดีใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเล็กเกินไปก็ไม่ดีเช่นเสื้อผ้าของเราถ้าใหญ่เกินไปใส่ไปก็ไม่ก็ไม่สวยงามเล็กเกินไปใส่ไปก็ใส่ไม่ได้คับแคบยืดขาดเช่นเดียวกับรองเท้ารองเท้าใหญ่เกินไปใส่ไปมันก็หลวมถ้ามันเล็กเกินไปก็ใส่ไม่ได้หรือสามาใส่ได้มันก็จะกัดเท้า เพราะมันแคบเราต้องรู้จักความพอดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริโภคปัจจัยสี่ของเราเราต้องรู้จักความพอดีเช่นการรับประทานอาหารก็ควรจะรับประทานพอต่อความต้องการของร่างกายอย่าไปรับประทานตามความอยากตามความชอบเพราะจะมากเกินไป ถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็จะเสียความสวยงามของร่างกายร่างกายก็จะกลายเป็นตุ่มไปแล้วก็จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนโรคความดันโรคเบาหวานเป็นต้นที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปถ้ารับประทานน้อยไปมันก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย สู้พร้อมลงไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความพอดีของของความต้องการของร่างกายในการรับประทานอาหารแล้วก็ต้องรู้ความพอดีกับฐานะของเราฐานะของเรารับประทานอาหารในระดับไหนเราก็ต้องรับประทานในระดับนั้นไม่ใช่เห็นคนที่เขามีทรัพย์มากกว่าเรา เขาซื้ออาหารราคาแพงๆมารับประทานได้เราก็อยากจะรับประทานอาหารแบบนั้นแต่เราไม่มีกำลังทรัพย์ถ้าเราไปรับประทานตามเขาเราก็จะไม่มีเงินพอใช้ที่จะไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นอย่างอื่นเราก็จะเดือดร้อนจะต้องไปคู่นี่ยืมสินหรือจะต้องไปทำบาปไปลักขโมยเพื่อที่จะมา บำรุงบำเลอวิถีชีวิตที่มันไม่พอดีกับฐานะของเราเราต้องรู้จักฐานะของเราและดำเนินชีวิตของเราบริโภคปัจจัยสี่ให้อยู่ตามกำลังตามฐานะของเราชีวิตของเราจะได้ไม่ไม่เดือดร้อนไม่มีความทุกข์ไม่มีไม่มีโทษตามมาเช่นเดียวกับการ ใช้ของคือเสื้อผ้าเราก็ต้องซื้อเท่าที่จำเป็นถ้ามีมากพอแล้วก็ไม่ควรที่จะซื้อเพราะจะเสียเสียเงินทองไปเปล่าๆควรจะเก็บเงินทองสำรองไว้เผื่อในอนาคตที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มีรายได้เราจะได้มีเงินทองนี้มาสนับสนุนหรือถ้าว่ายังมีเหลืออยู่ เราก็จะได้มีเอามาไว้ทาบุญสะสมสเสบียงเพื่อที่จะได้รอเราอยู่ข้างหน้าชาติหน้าไปเกิดเราจะได้ไม่ยากจนเราจะได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่ชิ้นไปเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นลูกของเจ้านายเป็นต้นนี่ก็เป็นเพราะว่าได้ทาบุญมาในอดีตนั่นเอง พวกที่เกิดมายากจนก็เป็นเพราะไม่ได้ทำบุญมาในอดีตในอดีตมีเงินมากเท่าไหร่ก็กินใช้ไปให้หมดเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆทั้งๆที่มีอยู่ร้นตู้ก็ซื้อมาซื้อมาเห็นอะไรสวยเห็นอะไรชอบก็ซื้อมาจนกระทั่งไม่มีเงินไปทำบุญพอมาเกิดชาตินี้ก็เลยไม่ต้องเกิดมาเป็นคนยากจนนี่คือการรู้จักประมาณ ถ้าเรารู้จักประมาแล้วชีวิตของเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ไปจนวันตายนี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายให้รู้กันถ้ารู้ความรู้ทั้งเจประการนี้ก็ดีกว่าการจบป ร, ริญญาเอกแต่ไม่รู้ความรู้ทั้งเจประการนี้ ผู้ที่จบปริญญาเอกก็ยังสามารถไปติดคุกติดตารางได้ยังยากจนได้ถ้าไม่รู้เหตุรู้ผลว่าการกระทาของตนนั้นเป็นเหตุที่จะทาให้ตนไปติดคุกติดตารางให้ยากจนแต่ถ้าเรามีความรู้ทางพระพุทธศาสนาแล้วเราไม่ต้องรู้ความรู้ทางโลกก็ได้เพราะความรู้ทางโลกนี้เอาตัวไม่รอด ก็เรียกว่าความความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่ความรู้ทรงธรรมนี้ถ้ารู้แล้วจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขโดยถ่ายเดียวจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาพระธรรมคำสอนในวันพระวันธรรมสวนนัะนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศิลัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญท่านนทางโลกและนายทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ